17. จัดตารีสะนิบาทหนึ่งเตสกุณะชาดกว่าด้วยนกสามตัวพระราชาตรัสถามทำกับนกเวสันดอนในถ้ำกลางมหาชนว่าลูกนกขอความเจริญจงมีแก่ลูกพ่อขอถามลูกเวสันดอนว่ากิจอะไรบุคคลผู้ประสงค์จะครอบครองราชสมบัติกระทำแล้วเป็นกิจอันประเสริฐ นกเวสันดรยังไม่ทูลต่อปัญหาแต่ทูลเตือนพระราชาเพราะความประมาทก่อนแล้วจึงกราบทูลว่านานนักหนอพระเจ้ากังสะพระราชบิดาของเราผู้ทรงครอบครองกรุงมพระนศีผู้มีความประมาทได้ตรัสถามเราผู้เป็นบุตรซึ่งหาความประมาทไม่ได้นกเวสันดรเมื่อทูลเตือนอย่างนี้แล้วจึงกราบทูลว่าขอเดชะบรมกษัตริย์อันดับแรกทีเดียว พระราชาพึงทรงห้ามการตรัสคำไม่จริงความโกรธความผันสาร่าเริงตั้งแต่นั้นพึงตรัสสั่งให้ทำราชกิจบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่านั้นเป็นพระราชาประเพณีขอเดชะเสด็จพ่อเมื่อก่อนกรรมใดเป็นกรรมกระทาให้เดือดร้อนโดยไม่ต้องสงสัยพระองค์ทรงทาไว้แล้วหนึ่งกรรมใดพระองค์ทรงมีความกาหนัดและความขัดเคืองทรงทำหนึ่ง กรรมนั้นพระองค์ไม่พึงทำต่อไปอีกขอเดชะพระองค์ผู้ผดุงรัฐให้เจริญโพขะทั้งปวงในแคว้นของกษัตริย์ผู้ประมาทแล้วย่อมพินาศข้อนั้นท่านกล่าวว่าเป็นความทุกข์ของพระราชาขอเดชะเสด็จพ่อเทพธิดาชื่อสิริและอลัคคีถูกสุจิวารเศรษฐีถามได้ตอบว่าดิฉันชื่นชมยินดีคนที่ขยันหมั่นเพียรและไม่ริษยา ขอเดชะมหาราชส่วนอนลลัคขีเทพธิดาเป็นคนกาลกันนีหากกุศลละจักย่อมชื่นชมยินดีคนริษยาคนใจร้ายมักทำลายกุศ ล, ลกรรมขอเดชะมหาราชพระองค์นั้นโปรโทรงมีพระหัตัไทยดีในชนทั้งปวงจงทรงพิทักษ์รักษาชนทั้งปวงโปรดทรงขับนางเทพธิดาที่อับโชคออกไปขอพระราชนิเวศ จงเป็นที่อยู่ของนางเทพธิดาที่อํานวยโชคเท่านั้นเถิดขอเดชะพระองค์ผู้เป็นเจ้าแห่งชนชาวกาสีเพราะว่าบุรุษผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและความเพียร น, นั้นมีอธัธยาศัยกว้างขวางย่อมตัดรากเง่าและยอดของศัตรูได้ขาดแท้จริงแม่เท้าสักกะผู้เป็นเจ้าแห่งพูดก็ม่ได้ทรงประมาทในความขยันหมั่นเพียรเท้าเธอทรงกระทําความเพียร ใ, ในกรยานธรรม ทรงสนพระไทยในความขยันหมั่นเพียรคนทันพรหมเทวดาทั้งหลายที่มีชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระราชาเหล่านั้นเมื่อพระองค์ทรงขยันหมั่นเพียรไม่ประมาทก็ย่อมจะคล้อยตามขอเดชะเสด็จพ่อขอเสด็จพ่ออย่าทรงประมาทอย่าทรงกลิว้วแล้วตรัสสั่งให้ทําราชกิจอันหนึ่งโปรดทรงพยายามในราชกิจเพราะคนไม่เกียรตคร้านย่อมประสบความสุข ข้อความเหล่านั้นที่ฆ่าพระองค์กล่าวแก้ในปัญหาของเสด็จพ่อนั้นแหลเป็นวัตถบทข้อนี้แหลเป็นอนุสาสนีสําหรับเสด็จพ่อที่สามารถช่วยมิตรให้ถึงความสุขและให้ทุกเกิดแก่ศัตรูได้พระราชาตรัสถามราชธรรมกับนางนกกุลทลินีว่าแม่กุลทลินีสกุณีผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของผู้มีบรรดาศักดิ์เจ้าคงจะเข้าใจปัญหา กิจอะไรบุคคลผู้ประสงค์จะครอบครองราชสมบัติกระทําแล้วเป็นกิจอันประเสริฐนางนกกุนทลินีกราบทูลว่าขอเดชะเสด็จพ่อมีเหตุอยู่สองประการเท่านั้นที่ประโยชน์สุขทั้งปวงดํารงมั่นอยู่ได้คือการได้ลาบที่ยังไม่ได้หนึ่งการตามรักษาลาบที่ได้แล้วหนึ่งขอเดชะเสด็จพ่อพระองค์โปรดทรงรู้จักหมูอมารผู้เป็นนักปราด ฉลาดในประโยชน์ไม่ใช่นักเลงการพนันไม่ใช่คนปลิ้นปล้อนไม่ใช่นักเลงล้างผ l า r เถิดพระเจ้าค่ะขอเดชะเสด็จพ่ออํามาตคนใดพึงรักษาทรัพย์ที่พระองค์พึงมีไว้ได้เหมือนในสารถียึดรถอํามาตผู้นั้นพระองค์โปรดสมให้ทําราชกิจเถิดพระราชาพึงสงเคราะห์ชนฝ่ายในให้ดีตรวจตราราชทรัพย์ด้วยพระองค์เองไม่พึงฝังขุมทรัพย์ และให้กู้นี่โดยทรงไว้วางพระไทยผู้อื่นพระราชาควรทราบความเจริญและความเสื่อมด้วยพระองค์เองควรทราบสิ่งที่ทรงกระทำแล้วและยังไม่ได้ทรงกระทาด้วยพระองค์เองพึงข่มคนที่ควรขม่มยกย่องคนที่ควรยกย่องขอเดชะพระองค์ผู้เป็นจอมทัพรถขอพระองค์ทรงโปรดพร่มสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชาวชนบทด้วยพระองค์เอง ข้าราชการผู้ไม่มีธรรมที่ทรงใช้สอยอย่าได้ทําพระราชทรัพย์และรัตศีมาของพระองค์ให้พินาศเลยอันหนึ่งพระองค์อย่าทรงกระทําหรือตรัส ช, ชาให้ผู้อื่นกระทําราชกิจด้วยความเร่งด่วนเพราะการงานที่ทําด้วยความเร่งด่วนไม่ดีเลยคนโง่ย่อมเดือดร้อนในภายหลังเพราะการกระทําเช่นนั้นขอพระทัยของพระองค์อย่าทรงล่วงเลยกุศล ขอพระองค์อย่าทรงปล่อยพระไทยให้ขุนเคืองเกลี้ยกราดนักเพราะว่าสกุลทั้งหลายที่มั่งคั่งมากมายถึงความไม่เป็นสกุลเพราะความโกรธขอเดชะเสด็จพ่อขอพระองค์อย่าทรงให้ประชาชนย่างลงเพื่อความไหยนะเพราะเข้าพระไทยว่าเราเป็นใหญ่ขอพวกสตรีและบุรุษของพระองค์อย่าได้มีความทุกข์เลยพระราชาผู้ปราศจากอาการขนพองสยองกล่าว มีพระไทยไยหาแต่กามโภคะทั้งปวงจากพี่นาฏไปข้อนั้นท่านกล่าวว่าเป็นความทุกข์ของพระราชาข้อความเหล่านั้นที่หมอมฉันกล่าวแค่ในปัญหาของเสด็จพ่อนั้นเป็นวัตถบทข้อนี้แหละเป็นอนุสาสนีสำหรับเสด็จพ่อขอเดชะพระมหาราชบัดนี้เสด็จพ่อพึงทรงขยันมันบาเพ็ญบุญอย่าทรงเป็นนักเลง ยาทรงลแางแผลงพระราชทรัพย์ควรทรงเป็นผู้มีศีลเพราะคนทุศีลต้องตกนรกพระราชาตรัสถามปัญหากับนกชัมพุกะบัณฑิตว่าพ่อชัมพุกะพ่อได้ถามโกศิยโคดแล้วและแม่คุณทลิณีพ่อก็ได้ถามแล้วเช่นกันคราวนี้พ่อจงบอกกําลังอันสูงสุดกว่ากําลังทั้งหลายบ้างนกชัมพุกะบัณฑิตแสดงธรรมแก่พระราชาว่า ในโลกมีกำลังอยู่ห้าประการมีอยู่ในบุรุษผู้มีอัจิยะสายกว้างขวางบรรดากำลังห้าประการนั้นขึ้นชื่อว่ากำลังแขนท่านกล่าวว่าเป็นกำลังสุดท้ายขอเดชะพระองค์ผู้ทรงพระชนมายุยืนนานส่วนกำลังแห่งโพคะท่านกล่าวว่าเป็นกำลังที่สองและกำลังแห่งอมตท่านกล่าวว่าเป็นกาลังที่สามอันหนึ่ง กำลังแห่งชาสกุลอันยิ่งนั้นเป็นกำลังที่สี่อย่างไม่ต้องสงสัยกำลังทั้งสประการเหล่านั้นบัณฑิตย่อมยึดถือไว้ได้กำลังปัญญานั้นเป็นกำลังประเสริฐสุดเป็นยอดกำลังกว่ากำลังทั้งหลายบัณฑิตผู้มีกำลังปัญญาสนับสนุนย่อมประสบประโยชน์แม้ถึงคนมีปัญญาซามจะได้แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ก็จริง คนอื่นผู้มีปัญญาย่อมกดขี่เขาซึ่งไม่ประสงค์จะให้ยึดครองแผ่นดินนั้นเสียขอเดชะพระองค์ผู้เป็นเจ้าแห่งชนชาวกาสีถึงกษัตริย์แม้อุบัติในสกุลอันสูงยิ่งได้ราชสมบัติแล้วแต่มีปัญญาสามจะดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยโภคะแม้ทั้งปวงหาได้ไม่ปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ฟังปัญญาเป็นเหตุให้เกียรติยศชื่อเสียงเจริญ นรชนในโลกนี้ประกอบด้วยปัญญาแล้วแม้เมื่อเกิดทุกข์ก็ประสบสุขได้ส่วนคนบางคนไม่ตั้งใจฟังด้วยดีไม่อาศัยท่านผู้เป็นประโหสูตรซึ่งตั้งอยู่ในธรรมไม่ไตร่ตรองเหตุผลย่อมไม่ได้บรรลุถึงปัญญาอันหนึ่งผู้ใดรู้จักจำแนกธรรมลุก ข, ขึ้นในการที่เหมาะสมไม่เกียจคร้านบากบั่นตามการเวลาผลงานของผู้นั้นย่อมสาเร็จ ประโยชน์ของบุคคลผู้มิใช่เป็นบอ่อเกิดแห่งศีลผู้คบหาบุคคลผู้มิใช่บ่อเกิดแห่งศีลผู้มีปกติเบื่อนายการทำงานย่อมไม่ผลิตผลโดยชอบส่วนประโยชน์ของบุคคลผู้ประกอบธรรมอันเป็นภายในผู้คบหาบุคคลผู้เป็นบอนน่อเกิดแห่งศีลเช่นนั้นมีปกติไม่เบื่อนายการทำงานย่อมผลิตผลโดยชอบขอเดชะเสด็จพ่อ ขอเสด็จพ่อจงทรงใยหาปัญญาคือการตามประกอบความเพียรในเหตุที่ควรประกอบและใยหาการอนุรักษ์ทรัพย์ที่ทรงรวบรวมไว้ทั้งสองอย่างนั้นเถิดอย่าทรงทาลายทรัพย์ด้วยเหตุอันไม่สมควรเลยเพราะคนมีปัญญาซามย่อมล่มจมเหมือนเรือนไม้อ้อเพราะการกระทำอันไม่สมควรพระโพธิสัตว์พานานากาลังหประการนี้แล้ว ยกกำลังคือปัญญาขึ้นกราบทูลแด่พระราชาอีกว่าขอเดชะพระมหาราชผู้เป็นกษัตริย er. well is ์ขอพระองค์โปรดทรงประพฤติธรรมในพระราชมารดาและพระราชบิดาเถิดครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจกเสด็จสู่สวรรค์ขอเดชะพระมหาราชผู้เป็นกษัตริย์ขอพระองค์โปรดทรงประพฤติธรรมในพระโอรสและพระชายาเถิดครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว จากเสด็จสู่สวรรค์ขอเดชะพระมาหาราชผู้เป็นกษัตริย์ขอพระองะอค์โปรดทรงประพฤติธรรมในหมู่มิตรและอมตะเถิดครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจากเสด็จสู่สวรรค์ขอเดชะพระมหาราชผู้เป็นกษัตริย์ขอพระองค์โปรดทรงประพฤติธรรมในราชพานะและพลนิกายเถิดครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจากเสด็จสู่สวรรค์ ขอเดชะพระมหาราชผู้เป็นกษัตริย์ขอพระองค์โปรดทรงประพฤติธรรมในชาวบ้านและชาวนิคมเถิดครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจากเสด็จสู่สวรรค์ขอเดชะพระมหาราชผู้เป็นกษัตริย์ขอพระองค์โปรดทรงประพฤติธรรมในชาวแคว้นและชาวชนบทเถิดครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจากเสด็จสู่สวรรค์ขอเดชะพระมหาราชผู้เป็นกษัตริย์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 เพราะทมที่บุคคลประพฤติแล้วนำความสุขมาให้ครั้นทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจกเสด็จสู่สวรรค์ขอเดชะพระมหาราชขอพระองค์โปร่ทรงประพฤติธรรมเถิดเพราะเทวดาพร้อมทั้งพระอินทร์และพระพรหมถึงที่พยะสถานได้ด้วยธรรมที่ตนประพฤติดีแล้วขอเดชะขอพระองค์อย่าทรงประมาธทธรรมเลย พระโพธิสัตว์กล่าวคาถาแสดงจริยธรรมสิประการนี้แล้วจึงโอวาทให้ยิ่งขึ้นไปว่าข้อความเหล่านั้นที่ข้าพระองค์กล่าวแก้ในปัญหาของเสด็จพ่อนั้นแหลเป็นวัตบทข้อนี้เป็นอนุสาสนีสำหรับเสด็จพ่อขอเสด็จพ่อโปรดทรงคบหาคนมีปัญญาจงทรงเป็นผู้มีกรยาณธรรมทรงทราบความข้อนั้นด้วยพระองค์เองแล้วโปรดทรงปฏิบัติให้ครบถ้วนเถิด เตสกุลนาชาดกที่หนึ่งจบ 2. สระพังคาชาดกว่าด้วยสระพังคาดาบทแก้ปัญหาอนุสิตสดาบทถือหม้อจะไปตักน้ำได้พบพระราชาสามพระองค์จึงทูลถามว่าท่านทั้งหลายเป็นใครกันหนอประดับเครื่องอลังการสวมใส่ต่างหูนุ่งห่มเรียบร้อย ในพระขันมีด้ามประดับด้วยแก้วไพลทูลและแก้วมุกดายืนอยู่บนรถอย่างองอาจในมนุษย์โลกเขารู้จักพวกท่านว่าอย่างไรในพระราชาทั้งสามองค์พระเจ้าอัฏฐกะตรัสกับท่านอนุสิสดาบทว่าข้าพระเจ้าชื่ออัฏฐกะท่านผู้นี้คือพระเจ้าพีมรัฐะส่วนท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาลิงคะผู้มีพระเกียรติยศระเบือไปทั่ว พวกข้าพเจ้ามาณที่นี้เพื่อจะเยี่ยมรือีทั้งหลายผู้มีความสำรวมเป็นอันดีและเพื่อที่จะถามปัญหาอนุสิสะดาบทปฏิสันฐานกับพระราชาแล้วกราบทูลเท้าสักกะเทวราชผู้เสด็จมาเยี่ยมว่าท่านยืนอยู่กลางหาวราวกับพระจันเพนลอยเด่นอยู่ท่ามกลางเวหาในวันขึ้น15ห้าค่ำท่านผู้มีคุณ่าบูชา ข้าพเจ้าขอถามท่านผู้มีอนุภาพมากว่าในมนุษย์โลกเขารู้จักท่านว่ายอย่างไรท้าวสักกะเทวราชสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสว่าท่านผู้ใดในเทวโลกเขาเรียกกันว่าสุชัมบดีท่านผู้นั้นในมนุษย์โลกเขาเรียกกันว่ามักขวานข้าพเจ้านั้นเป็นเทพราชามาถึงที่นี่ในวันนี้เพื่อจะเยี่ยมเรศีทั้งหลายผู้มีความสำรวมเป็นอันดี เท้าส ก, กเทวราชเสด็จลงแล้วเข้าไปหาหมูเรสียืนประคองอัญชลีไหว้ยอยู่ตรัสว่าเรสีของพวกเรามีฤทธิ์มากประกอบด้วยคุณคือฤทธิ์ปรากฏในที่ไกลข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสขอนามส ก, การพระกุญเจ้าผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งหลายในมนุษย์โลกนี้ต่อมาอนุสีสะดาบทเห็นเท้าส ก, กเทวราชประทับนั่งใต้ลมของหมูเรศี จึงกราบทูนว่ากลิ่นของเรือสีผู้ที่บวชมานานย่อมออกจากกายฟุ้งไปตามลมขอถวายพระพรเท้าสหสนยเทวราชขอมหาะพิษเสด็จถอยไปจากที่นี่เพราะกลิ่นของเรือสีทั้งหลายไม่สะอาดเท้าสักกะเทวราชตรัสว่ากลิ่นของเรือสีผู้ที่บวชมานานขอจงออกจากกายฟุ้งไปตามลมเถิดพระคุณเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายจำนงวางกลิ่นนั้นดูดพวงบุพชาติอันวิจิตรมีกลิ่นหอมเพราะเทวดาทั้งหลายมิได้มีความสำคัญกลิ่นนี้ว่าปฏิกูลอนุสีสะดาบทลูกจากอาสนะขอโอกาสกับหมูเรษีกล่าวว่าท้ามัควานสุชมบดีเทวราชองค์ปุรินทะจอมเทพผู้เป็นใหญ่กว่าพูดพระองค์นั้นทรงพระยดย่ำยีหมูอสูร ทรงรอคอยโอกาสเพื่อจะตรัสถามปัญหาบรรดาฤาษีเหล่านี้ผู้เป็นบัณฑิตณที่นี้ใครเล่าหนอถูกถามแล้วจากพยากรปัญหาอันละเอียดสุขุมของพระราชาผู้เป็นใหญ่ความมนุษย์ทั้งสามพระองค์และของท้าววาสวะจอมเทพได้หมู่ฤาษีได้ฟังดังนั้นแล้วจึงกล่าวแนะนำว่าฤาษีตนนี้ชื่อสรพังคะมีตบะเว้นจากเมทุนธรรมตั้งแต่เกิด เป็นบุตรของโปรโหิตาจาย์ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอันดีท่านจักพยากรปัญหาทั้งหลายของพระราชาเหล่านั้นได้อนุศิษดาบดยอมรับไหว้สรพังคดาบดแล้วเมื่อจะโอวาจึงกล่าวว่าท่านโกนทัญญานิมนท์ท่านพยากรปัญหาทั้งหลายเถิดเรศีทั้งหลายผู้เป็นคนดีขอร้องท่านท่านโกนทัญญภาระนี้ย่อมมาถึงท่านผู้เจริญด้วยปัญญา นี้เป็นธรรมดาในมนุษย์ทั้งหลายต่อมาพระมหาบุรุษสรพังคะดาบทเมื่อให้โอกาสจึงกล่าวว่ามหาปพิดผู้เจริญทั้งหลายอาตมาให้โอกาสขอเชิญตรามปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งตามพระทัยปรารถนาเถิดเพราะอาตมารู้จักทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองจากพยากรปัญหาข้อนันๆถวายมหาปพิด พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นแหลเท้ามขวานส ก, กเทวราชองปุรินทะทรงเห็นประโยชน์ได้ตรัสถามปัญหาข้อแรกตามที่พระไทยปรารถนาว่าในการบางคราวบุคคลค่าอะไรจึงจะไม่เศร้าโศกฤสีทั้งหลายสันเสริญการละอะไรบุคคลควรอดทนคำหยาบคายที่ใครในโลกนี้กล่าว นิมนต์บอกเนื้อความข้อนั้นแก่โ ย, ยมเถิดท่านโกนทั ญ, ญะต่อแต่นั้นพระมหาสัตรพังคาดาบทเมื่อจะตอบปัญหาจึงกล่าวว่าในการบางคราวบุคคลฆ่าความโกรธเสียได้จึงไม่เศร้าโศกหรือศีทั้งหลายสรรเสริญการละความลบหลู่บุคคลควรอดทนคำหยาบคายที่ทุกคนกล่าวสัตบบรษทั้งหลายกล่าวความอดทนนั้นว่ายอดเยี่ยมเท้าสักกะตรัสว่า คำของบุคคลทั้งสองจำพวกคือคนที่เสมอกันหนึ่งคนที่ประเสริฐกว่าหนึ่งบุคคลอาจจะอดกลั้นได้แต่บุคคลจะพึงอดทนถ้อยคำของคนที่เลวกว่าได้อย่างไรหนอนิมนต์บอกเนื้อความข้อนั้นแก่โยมเธอท่านโกนธัญญะสรพังคาดาบทตอบว่าแท้จริงบุคคลอดทนถ้อยคำของคนประเสริฐกว่าได้เพราะความกลัว อดทนถ้อยคำของคนเสมอกันได้เพราะการแข่งขันเป็นเหตุแต่ผู้ใดพึงอดทนถ้อยคำของคนที่เลวกว่าในโลกนี้ได้ความอดทนนั้นของบุคคลนั้นสัตว์ุรุษกล่าวว่ายอดเยี่ยมต่อมาพระมหาศัตย์สรพังฆาดาบทตอบเท้าสักกะแล้วเมื่อจะประกาศสภาพที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ประเสริฐเป็นต้นเป็นสภาพที่รู้ได้ยากด้วยอาการเพียงเห็นรูปร่าง เว้นแต่การอยู่ร่วมกันจึงกล่าวคาถาว่าสภาวะที่ปกปิดไว้ด้วยอิเรียบ ท, ทั้งสี่บุคคลจะรู้ได้อย่างไรว่าประเสริฐกว่าเสมอกันหรือเลวกว่าเพราะว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมเที่ยวไปด้วยสภาวะที่ผิดรูปเพราะเหตุนั้นบุคคลควรอดทนถ้อยคำของคนทั้งปวงเมื่อเท้าสักกะหมดความสงสัย พระมหาศาสรพังคาดาบทจึงกล่าวคาถาทูลว่าสัตว์ปุรุษผู้มีขันติพึงได้ประโยชน์อันใดประโยชน์นั้นเซนาแมหมูใหญ่พร้อมด้วยพระราชารบอยู่ก็ไม่พึงได้เวรทั้งหลายย่อมสงบระ ง, งับได้ด้วยกำลังแห่งขันติต่อมาท้าวสักกะเทวราชทรงทราบอัิยาศัยของพระราชาทั้งหลายแล้วจึงตรัสถามความสงสัยของพระราชาเหล่านั้นว่า โยมขออนุโมทนาคำสุภาษิตของพระคุณเจ้าโยมขอถามปัญหาข้ออื่นกับพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าโปรดกล่าวแก้ปัญหานั้นขอพระคุณเจ้าโปรดบอกถึงกติของพระราชาทั้งหลายผู้กระทำบาปกรรมอันร้ายแรงคือพระเจ้าทันตกีหนึ่งพระเจ้านาลิกีระหนึ่งพระเจ้าอจุณะหนึ่งพระเจ้ากลาภุหนึ่ง พระราชาทั้งหลายเหล่านั้นเบียดเบียนรือสีพากันไปเกิดณที่ไหนพระมหาศัตรพังคดาบทต่อปัญหาของทาส ก, กะว่าก็พระเจ้าทันต ก, กีได้ลงโทษกีสวัตชาดาบทเป็นผู้ตัดมูลรากพร้อมทั้งอนาประชาราชหมกไม่ยอยู่ในนรกชื่อกุกุละทานเพลิงที่ปราศจากเปลวเพลิงตกต้องกายของพระองค์ พระราชาพระองค์ใดได้ทรงเบียดเบียนบนรรพชิตทั้งหลายผู้สำรวมผู้กล่าวธรรมผู้สงบไม่ประทุสร้ายพระราชาพระองค์นั้นทรงพระนามว่าพระเจ้านาลิกีระสุนัขทั้งหลายพากันรุมกัดกินทรงดิ้นรนอยู่ในปรโลกอันหนึ่งพระเจ้าอัจชุนะทรงตกนรกชื่อสั ต, ติสูระทรงมีพระเศียรห้อยลงพระบาทชี้ขึ้นเบื้องบน ทรงเบียดเบียนพระอังคีรถโคตมะเรษีผู้มีขันติมีตบะประพฤตหภูมิจันมะช้านานอันหนึ่งพระราชาพระองค์ใดได้ทรงตัดบรนประชิตผู้กล่าวขันติผู้สงบไม่ประทุษร้ายขาดออกเป็นท่อนๆพระราชาพระองค์นั้นทรงพระนามว่าพระเจ้ากลาภูตกอเวจีมหานรกซึ่งมีความร้อนร้ายแรงมีเวทนาเผ็ดร้อนน่าหวาดกลัวหมกไม่อยู่ บัณฑิต ท, ที่ฟังเรื่องนรกเหล่านี้และนรกเหล่าอื่นที่ชั่วช้ากว่านี้ณที่นี้แล้วพึงประพฤติธรรมในสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายผู้กระทำอย่างนี้ย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์เท้าสักกะตรัสถามปัญหาสีข้อที่เหลือว่าย่มขออนุโมทนาคำสุภาษิตของพระคุณเจ้าแต่ย่มขอถามปัญหาข้ออื่นกับพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าโปรดกล่าวแก้ปัญหานั้นบัณฑิต เรียกคนเช่นไรว่ามีศีลเรียกคนเช่นไรว่ามีปัญญาเรียกคนเช่นไรว่าสัตบุรุษสิริย่อมไม่ละคนเช่นไรหนอพระมหาศัตย์สารพังคดาบทต่อปัญหาของท้าวสักกะว่าบุคคลใดในโลกนี้สำรวมกายวาจาใจไม่ทําบาปกรรมอะไรไม่พูดเลาะแะเพราะเหตุแห่งตนบัณฑิตเรียกคนเช่นนั้นว่าผู้มีศีล บุคคลใดคิดปัญหาที่ลึกซึ้งได้ด้วยใจไม่ทำกรรมอันหยาบช้าซึ่งหาประโยชน์เกื้อกูลมิได้ไม่ตัดรอนประโยชน์ที่จะมาถึงตามการให้เสียไปบัณฑิตเรียกคนเช่นนั้นว่าผู้มีปัญญาบุคคลใดเป็นคนกระตันยูกะตะเวทีเป็นปราดมีกัลยาณธรรมและมีความพักดีมั่นคงช่วยกระทากิจของเม็ดที่ตกยากด้วยความเต็มใจ บันดิตเรียกคนเช่นนั้นว่าสัตบุรุษบุคคลใดประกอบด้วยคุณสมบัติทั้งปวงเหล่านี้มีศรัทธาอ่อนโยนจำแนกแจกทานด้วยดีรู้ความประสงค์ของผู้ขอสิริย่อมไม่ละคนเช่นนั้นผู้มีปกติสงเคราะห์มีวาจาอ่อนหวานสละสลวยเท้าสักกะตรัสว่ายมขออนุโมทนาคำสุภาษิตของพระคุณเจ้า แต่ยมขอถามปัญหาข้ออื่นกับพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าโปรดกล่าวแก้ปัญหานั้นสีหนึ่งสิริหนึ่งธรรมของสัตว์รุษ 1, หนึ่งปัญญาหนึ่งบัณฑิต ก, กล่าวข้อไหนว่าประเสริฐกว่าพระมหาสัตว์สรพังคดาบทตอบว่าท่านผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวว่าปัญญาแลประเสริฐที่สุดดุจ ด, ดวงจันทราชาแห่งนักษัตว์ประเสริฐกว่าดวงดาวทั้งหลาย ศีลสิ ร, สริและแม้ธรรมของสัตว์ประหลย่อมเป็นไปตามบุคคลผู้มีปัญญาท้าวสักกะตรัสว่าโยมขออนุโมทนาคำสุภาษิตของพระคุณเจ้าแต่โยมขอถามปัญหาข้ออื่นกับพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าโปรดกล่าวแค่ปัญหานั้นบุคคลในโลกนี้กระทำอย่างไรกระทำกรรมอะไรประพฤติกรรมอะไรครบหาคนอย่างไรจึงจะได้ปัญญา บัดนี้ขอพระคุณเจ้าโปรดบอกปฏิปทาแห่งปัญญาว่าบุคคลกระทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าผู้มีปัญญาพระมหากตริศ์สรพังคดาบทกล่าวว่าบุคลคลควรคบหาท่านผู้เจริญด้วยปัญญามีความรู้ละเอียดละออเป็นพระหูสูตรควรศึกษาเล่าเรียนสอบถามฟังคำสุภาษิตโดยเคารพบุคคลกระทาอย่างนี้จึงจะชื่อว่าผู้มีปัญญา ท่านผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นกามคุณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และโดยความเป็นโรคเมื่อเห็นแจ้งอย่างนี้จึงละความพอใจในการมทั้งหลายซึ่งเป็นทุกข์เป็นภัยอันใหญ่หลวงเสียได้เขาปราศจากราคะแล้วพึงกำจัดโทสะได้เจริญเมตตาจิตหาประมาณมิได้วางอาชียาในสัตว์ทุกจาพวกเป็นผู้ไม่ถูกนินทาเข้าถึงพรห ม, มสถาน พระมหาศาส ร, สรพังคาดาบอธทราบว่าพระราชาทั้งสามพระองค์ละความกำนัดยินดีในเบญจากามคุณได้แล้วจึงกล่าวคาถาด้วยอำนาจความร่าเริงของพระราชาเหล่านั้นว่าขอถวายพระพรมหาปพิปิฏตกะการเสด็จมาของพระองค์ของพระเจ้าพีมรัฐและของพระเจ้ากาลินฆะผู้มีประยตระเบือไปทั่วได้มีความสําเร็จอย่างใหญ่หลวง ทุกพระองค์ทรงละกามราคะได้แล้วพระราชาทั้งหลายทรงชมเชยพระมหาศัตย์สารพังคาดาบดว่าพระคุณเจ้ารู้จิตของผู้อื่นว่าโยมทุกคนละกามราคะได้แล้วข้อนั้นเป็นจริงอย่างนั้นแหละขอพระคุณเจ้าจงกระทําโอกาสเพื่ออนุเคราะห์โดยประการที่โยมทุกคนจะบรรลุถึงปติของพระคุณเจ้าเถิดพระมหาศัตยสรพังคาดาบดว่ ให้โอกาสแก่พระราชาทั้งสามพระองค์ว่าอาตมาจะกระทำโอกาสเพื่ออนุเคราะห์เพราะมหาปิพิตทั้งหลายทรงละกรรมราคะได้แล้วอย่างแท้จริงขอมหาปิิตทั้งหลายทรงแผ่ปิติที่ไพบูรณ์ให้แผ่ซ่านไปทั่วพระวรากายโดยประการที่จะบรรลุถึงกติของอาตมาเถิดพระราชาเหล่านั้นเมื่อจะทรงยอมรับจึงได้ตรัสว่าท่านผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดิน พระคุณเจ้าจะกล่าวคำใดๆโยมทั้งหลายจะกระทาตามคำพร่ำสอนของพระคุณเจ้านั้นทุกอย่างจะแผ่ปีติที่ไพบูุญไปทั่วกายโดยประการที่จะบรรลุถึงคติของพระคุณเจ้าลำดับนั้นพระมหาสสรพังคดาบทให้พระราชาเหล่านั้นพร้อมทั้งพลนิกาโบวถเมื่อจะส่งหมูเรสีไปจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเราทาการบูชา อิสวัสชฉะดาบทอย่างนี้แล้วขอฤาษีทั้งหลายผู้เป็นคนดีจงไปยังที่อยู่ของตนเถิดท่านทั้งหลายจงยินดีในฌานมีจิตตั้งมั่นในการทุกเมื่อความยินดีนั้นเป็นคุณชาติประเสริฐสุดสําหรับบรรพชิตพระศาสดาทรงทราบความนี้แล้วได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าครั้นได้สดับคาถาซึ่งประกอบด้วยประโยชน์อย่างยิ่งที่ฤาษีผู้เป็นบัณฑิตกล่าวดีแล้ว เทวดาทั้งหลายผู้มียศเหล่านั้นเกิดปิติและโสมนัสอนุโมทนาอยู่ได้พากันหลีกไปยังเทพบุรีคาถาที่ฤาษีผู้เป็นบัณฑิตกล่าวดีแล้วเหล่านี้มีอาจและพยัญชนะอันดีงามผู้ใดผู้หนึ่งพึงสดับคาถาเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์พึงได้คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายครั้นได้แล้วพึงบรรลุสถานที่ที่พญามาจุราชมองไม่เห็น พระศาสดาครั้นทรงรวบยอดธรรมเทศนาด้วยพระอรหันต์อย่างนี้แล้วประกาศสัจจะทั้งหลายทรงประชุมชาดกว่าสาลิสระดาบทคือสารีบุตรเมนทิสสระดาบทคือขัสปะปัปพตาดาบทคืออนุรุทธะเทวินลดาบทคือกัจจายณนะอนุสิสะดาบทคืออานน์กีสาวัชะดาบทคือโกลิตะ นารธดาบทคืออุทายีเถระบริษัททั้งหลายคือพุทธบริษัทส่วนสรพังคะโพธิสัตว์คือเราตถาคตเธอทั้งหลายจงทรงจำชาดกไว้อย่างนี้แลสรพังคะชาดกที่สองจบ 3. อลัมผู้สาชาดกว่าด้วยเทพธิดาอาัมผู้สา พระศาสดาเมื่อจะทรงทำเนื้อความนั้นให้แจ่มแจ้งจึงตรัสว่าครั้งนั้นพระอินผู้เป็นใหญ่ทรงปราบรามวัตรอะูซซึ่งเป็นพระบิดาแห่งเหล่าเทพระบุรผู้มีชัยทรงเล็งเห็นอลรัมพุษาเทพกัญญาว่ามีความสามารถณนะสุธรรมมาเทวสถานแล้วจึงมีเทวองค์การว่าแม่นางมิสาเทพกัญญาเทวดาชั้นเดวดึงพร้อมทั้งพระอินขอร้องแม่นาง แม่นางอลัมพุสาผู้สามารถจะประเล้าประโลมเรสีได้แม่นางจงไปหาอิสิสิงคดาบทเถิดเท้าสักกะทรงพระบัญชานางอลัมพุ้สาแล้วตรัสว่าดาบทองค์นี้เป็นผู้มีวัดประพฤติพรหมจรรยินดียิ่งในนิพพานเป็นผู้เจริญด้วยคุณธรรมอย่าล่วงเลยพวกเราไปก่อนเลยเธอจงกั้นทางที่จะไปสู่เทวโลกของท่านไว นางอลัมผู้สาเทพกัญญาได้ฟังพระราชดำรัส ด, ดังนั้นจึงตรัสว่าขอเดชะพระเทวราชพระองค์ทรงทำอะไรอยู่พระองค์จึงทรงเห็นแต่หม่อมฉันเท่านั้นว่าแม่นางผู้สามารถจะปะลาปรลมเรสีได้เธอจงไปนางเทพอับซอนแม่อื่นก็มีอยู่นางเทพอับสอนผู้ทัดเทียมกับหม่อมฉันและประเสริฐกว่ามหม่อมฉันในอโศ ก, ก น, นันทวันก็มีอยู่ ขอวาระแห่งการไปจงมีแก่นนางเทพอับสรเหล่านั้นเถิดแม้นางเทพอับสรเหล่านั้นก็จงไปประลลมประโลมเถิดท้าวสักกะเทวราชได้ตรัสว่าเธอพูดถูกต้องอย่างแท้จริงถึงนางเทพอับสรเหล่าอื่นที่ทัดเทียมกับเธอและประเสริฐกว่าเธอในอโศกนันทวันก็มีอยู่แม่นางผู้มีความงามทั่วสรรพางกาย แต่นางเทพอักษรเหล่านั้นไปแล้วไม่รู้จากการบรับเมเบอชายอย่างที่เธอรู้เชิญไปเถิดแม่นางผู้มีความงามเพราะเธอประเสริฐกว่ายิงทั้งหลายเธอจะใช้รูปร่างผิวพรรณของเธอนำดาบทบมาสู่อำนาจได้พระนางอลัมผู้สาได้ฟังดังนั้นแล้วจึงกราบทูลว่ามอมฉันถูกพระเทวราชทรงใช้จะไม่ทำก็ไม่ได้ แต่มอมฉันวันเกรงการที่จะไปประเหล้าประโลมให้ดาบทนั้นยินดีเพราะท่านเป็นพรามมีเดชสูงส่งชนทั้งหลายประเหล้าประโลมหรือสีให้ยินดีแล้วตกนรกถึงสังสารวัตรเพราะความงมงายมีจำนวนไม่ใช่น้อยเพราะเหตุนั้นมอมฉันจึงขนพองสยองกล้าวพระศาสดาตรัสว่าอาลัมผู้สามิสาเทพ อ, พอักษรผู้มีวันณหน้าใคร ปรารถนาเพื่อจะให้อิสิสิงคดาบทคลุกเคล้าระคนด้วยกิเลศครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็หลีกไปก็อลัมพูสาเทพอับษร น, นั้นได้ลงสู่ป่าที่อิสิสิงคดาบทรักษาซึ่งดารดาดด้วยเทาตำลึงสุกมีประมาณกึ่งโยดด์โดยรอบนั้นนางเข้าไปหาอิสิสิงคดาบทผู้กำลังปัดกวาดโรงไฟแต่เช้าตรู่ก่อนเวลาอาหารเช้าใกล้เวลาอาทิตยุไทร ลำดับนั้นดาบทถามนางว่าเธอเป็นใครหนอรัศมีช่างงามผ่องใสดังสายฟ้าประดุดดาวประกายพร็กประดับกําไลมืออันวิจิตสวมใส่ต่างหูแก้วมณีมีประกายดุจแสงอาทิตย์ร่างกายมีกลิ่นหอมด้วยจันเหลืองลำขากลมกลึงสวยงามมีมายามากมายกําลังสาวแรกรุ่นหน้าทัศนาเชยชม เท้าทั้งสองของเธออ่อนละมุนสะอาดหมดจดไม่แหว่งเว้าตั้งลงเรียบเสมอด้วยดีทุกย่างก้าของเธอน่ารักใคร่ดึงใจอาตมาให้วาบหวามอันหนึ่งล้ำขาของเธอเป็นปล่องปล้องเหมือนกับงวงช้างสะโพกของเธอเกลี้ยงเกล่ำกลมกลึงพึงพายสวยงามเหมือนแผ่นกระดานสกาหนาภีของเธอตั้งอยู่เรียบร้อยดีเหมือนฝักดอกอุบล ปรากฏได้แต่ไกลเหมือนเกรสรดอกอัญชันเขียวทันเกิดที่สวงอกทั้งคู่หาคั่วมิได้เต่งเต้าสวยงามทรงกระเซียนรสดไว้ไม่หย่อนยานเสมอเหมือนกับผลน้ำเต้าครึ่งผลลำคอของเธอยาวประดุดลำคอนางเนื้อสายเปล่งแปลงดังพื้นแผ่นทองคำริมสีปากของเธองามเปล่งแปลงดังลิ้นหัวใจห้องที่สี่ฟันของเธอทั้งข้างบนข้างล่าง ขัดสีได้อย่างเลิศด้วยไม้ชัมระฟันเกิดขึ้นสองคราวเป็นฟันที่ปราศจากโทษดูสวยงามดวงเนตทั้งสองของเธอดำคลับตามขอบดวงตาเป็นสีแดงเปล่งปลัง่งดังเมล็ดมะกล่ําทั้งยาวทั้งกว้างดูสวยงามเส้นผมที่งอกขึ้นที่ศีรษะของเธอไม่ยาวเกินไปเกลี้ยงกล่ำดีตกแต่งด้วยหวีทองคํามีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นจันทร์ ชาวนาชาวไร่คนเลี้ยงโคพ่อค้ามีความสำเร็จและฤาษีผู้มีความสำรวมบําเพญตบะมีความบากบัน่นมีประมาณเท่าใดชนมีประมาณเท่านั้นในปติพีมณฑนนี้แม้คนหนึ่งที่เสมอเหมือนเธออาตมายังไม่เห็นเธอเป็นใครเป็นลูกของใครหรืออาตมาจะรู้จักเธอได้อย่างไรนางอลัมผุ้สาเทพกัญยารู้ว่า อิสิสิงคาดาบทนั้นหลงไหลแล้วจึงกล่าวว่าท่านกัสปะผู้เจริญเมื่อจิตของท่านเป็นไปอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่การที่จะเป็นปัญหามาเถิดสหายเราทั้งสองจกอภิรมกันในอาสมของเรามาเถิดดิฉันจกคลุกคล้าท่านขอท่านเป็นผู้ฉลาดในความยินดีในเบญจา ก, กามคุณเถิดพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่า อาลัมพุศามิสาเทพอับสอนผู้มีวั น, นะหน้าใคร่ปรารถนาเพื่อจะให้อิสิสิงคดาบทคลุกคล้าวระคนด้วยกิเลสครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็หลีกไปก็ดาบทนั้นตัดความเฉยชาเสียแล้วรีบออกไปโดยเร็วประชิด ต, ตัวนางลูบเรือนผมบนศีรษะเทพอับสอนกระยาณีผู้มีความสวยสดงดงามหันกลับมาสวมกอดดาบทนั้น นางมีความยินดีที่ดาบทเคลื่อนจากพรหมจันท ร, ร์นั้นตามที่เท้าสักกะปรารถนานางได้มีใจรำลึกถึงพระอินทร์ซึ่งประทับอยู่ในนันทวันท้ามขวานเทพกุญชนทรงทราบความดำริของนางแล้วทรงส่งบัลลังก์ทองพร้อมทั้งเครื่องบริวารพร้อมทั้งทับสวงห้าสิบอันและเครื่องปูลาดพันผืนไปโดยเร็วพลันแม่โฉมงามอุ้มโอบดาบสนั้นไว้แนบสวงอก กกออยู่ตลอดสามปีบนบันลังนั้นเป็นเหมือนเพียงครู่เดียวเท่านั้นโดยล่วงไปสามปีดาบทพรามจึงสางเมารู้สึกตัวได้เห็นต้นไม้เขียวชุ่มขึ้นอยู่โดยรอบเรือนไฟป่าไม้ผลัดไปใหม่ออกดอกบานสะพรั่งปึกกล้องไปด้วยฝูงนกดูเว่าครั้นท่านเหลียวมองดูโดยรอบก็หลั่งน้ําตาร้องไห้รำพันว่าเรามิได้บูชาไฟไมิได้สาทยายมน อะไรบรรดาการบูชาไฟให้เสื่อมสิ้นไปใครหนอปลาเล้าปรลมบำเรอจิตของเราในการก่อนเมื่อเราอยู่ป่าผู้ใดหนอมายึดเอาชาญคุณที่เกิดมีพร้อมกับเดชของเราไปประดุดยึดเอานาวาที่เต็มปียมด้วยรัตนา น, านานาชนิดในท้องทะเลหลวงนางอลัมผุสาเทพกัญญาได้ฟังดังนั้นจึงปรากฏกายยืนอยู่กล่าวว่า ที่ฉันถูกเท้าเทวราชรงใชมาเพื่อบำเรอท่านได้ใช้จิตฆ่าจิตท่านเพราะความประมาทท่านจึงไม่รู้สึกตัวอิสิสิงค้าดาบทด้วยฟังนางอลัมพุษาเทพกัญญาแล้วระลึกถึงโอว่าที่บิดาให้ไว้คร่ำครวญอยู่ได้กล่าวว่าเดิมทีพ่อกัสปะพร่ำสอนถ้อยคำเหล่านี้กับเราว่าพ่อมานหยิงเปรียบได้กับดอกนารีผล เจ้าจงรู้จักหญิงเหล่านั้นพ่อกัสปะดูเหมือนจะเอื้อเอ็นดูเราจึงพร่ำสอนเราอย่างนี้ว่ามาโนบเจ้าจงรู้จักหญิงผู้มีฝีที่อกเจ้าจงรู้จักหญิงเหล่านั้นเราไม่ได้ทำตามคำสอนของบิดาผู้เจริอนั้นวันนี้เรานั้นจึงซบเซาอยู่แต่ผู้เดียวในป่าที่หามนุษย์มิได้นาติเตียนจริงหนอชีวิตของเราเราจะทาอย่างที่เราเคยเป็นเช่นนั้น หรือมิฉะนั้นเราก็จกตายเสียพระศาสดาตรัสว่าอัลัมพุสาเทพกัญญาครั้นทราบเดชความเพียรและปัญญาของดาบทนั้นดำรงมั่นคงแล้วจึงจับเท้าทั้งสองของดาบททูลไว้ที่ศีรษะและล่ำละลักกล่าวกับอิสิกสิง่าดาบทว่าอย่ากโกรธดิฉันเลยท่านมหาวีระอย่ากโกรธดิฉันเลยท่านมหาฤรี ดิฉันบำเพ็ญประโยชน์อันใหญ่หลวงเพื่อเทพชั้นไตรทศผู้มียศเพราะเทพบุรีทั้งหมดถูกพระคุณเจ้าทำให้หวนไหวในคราวนั้นอิสิสิงขาดาบทกกล่าวคาถาว่าแม่นางผู้เจริญขอถวยเทพชั้นดาวดึงท้าววาสวะแห่งเทพชั้นไตรทศและเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเชิญเธอไปตามสบายเถิดแม่เทพกัญญาพระาศาสดาตรัสว่า อลัมผู้สาเทพกัญญาครั้นจับเท้าทั้งสองของดาบทแล้วจึงประคองอัญเชลีกระทําประทักษิณาบทนั้นแล้วได้หลีกไปจากที่นั้นนางเทพกัญญาขึ้นสู่บันลังทองพร้อมทั้งเครื่องบริวารพร้อมทั้งทับทรงห้าิบและเครื่องปูราดพันผืนอันเป็นของนางนั่นเองได้กลับไปยังสำนักเทพทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพทรงมีปิติและสมนัต ปราบปลื้มหารุไทยได้พระราชาธนพรกับนางเทพกัญญานั้นซึ่งกำลังมาราวกับประทีปอันรุ่งเรืองดุดสายฟ้าแลบนางอลัมพุษากราบทูลว่าข้าแต่เท้าสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งพูดทั้งปวงหากพระองค์ทรงประทานพรแก่หม่อมฉันไซขอหม่อมฉันอย่าต้องไ ป, ปเปล่าเปลมเรศีอีกเลยข้าแต่เท้าสักกะหม่อมฉันขอพรข้อนี้ดังนี้แหล อลัมพุษาชาดกที่สาจบ 4. สังฆปาละชาดกว่าด้วยสังฆปาละนาคราชพระเจ้ากรุงพาราณสีตรัสว่าท่านมีลักษณะคล้ายพระอริยะมีดวงตาแจม่มใสเห็นจะเป็นคนบวชออกจากสกุลฉไหนหนอท่านผู้มีปัญญาจึงสละทรัพย์และโภคะออกจากเรือนบวชเสีเล่าอลาระดาบวกราบทูลว่า ขอถวายพระพรมหาปิตผู้เป็นเทพแห่งนรชนอาตมาได้เห็นวิมานของพญาสังขาปาละนาคราชผู้มีอนุภาพมากด้วยตนเองครั้นเห็นแล้วจึงได้โบยเพราะเชื่อวิบากอันยิ่งใหญ่แห่งบุญทั้งหลายพระราชาตรัสว่าบรรพชิตทั้งหลายย่อมไม่กล่าวคาเท็จเพราะความรักเพราะความชังเพราะความกลัวเพราะคุณเจ้ายมถามแล้ว ขอพระคุณเจ้าโปรดบอกเนื้อความนั้นแก่โยมเถิดเพราะได้ฟังความเลื่อมใสจะเกิดขึ้นแก่โยมบ้างอลาระดาบทกราบทูนว่าขอถวายพระพรมหาประพิตผู้เป็นใหญ่แห่งแควนอาตมาเมื่อเดินทางไปค้าขายได้เห็นพวกบุตรของนายพรานพากันหาพญา น, นาคตัวมีร่างกายอ้วนผีใหญ่โตร่าเริงเดินไปในหนทางขอถวายพระพรพ ร, พระองค์ผู้จอมชน อาตมานั้นได้มาประจวบเข้ากับเขาเหล่านั้นก็เกิดกลัวจนขนพองสยองกล้าวจึงได้ถามขึ้นว่าพ่อบุตรในพรานทั้งหลายพวกท่านจะนำนาคซึ่งมีร่างกายน่า ก, กลัวตัวนี้ไปไหนจะทำอะไรกับนาคตัวนี้พวกเขาตอบว่าวิเทหบุตรพวกเราจะนำนาคตัวนี้ไปเพื่อบริโภคนาคตัวนี้มีร่างกายอ้วนพีใหญ่โตเนื้อของมันมาก อ่อนนุ่มและอร่อยท่านยังไม่ได้รู้รสเนื้อมันพวกเราจากที่นี่ไปถึงที่อยู่ของตนแล้วจะเอามีดสับ พ, พินเนื้อกันให้สำราญเพราะว่าพวกเราเป็นศัตรูของนาคทั้งหลายอาตมาจึงพูดว่าถ้าพวกท่านจะนำนาคซึ่งมีร่างกายอ้วนผีใหญ่โตตัวนี้ไปเพื่อจะบริโภคใช้เขาพระเจ้าจะให้โคผู้ซึ่งมีกาลังแข็งแรงแก่พวกท่านสหตัว ขอพวกท่านจงปล่อยนาคตัวนี้จากเครื่องพันธนาการเถิดพวกเขาตอบว่าความจริงนาคนี้เป็นอาหารที่ชอบใจของพวกเราอย่างแท้จริงและพวกเราก็เคยกินนาคมามากแต่พวกเราจะทําตามคําของท่านนายอาลาระวิเทหบุตรและขอท่านจงเป็นมิตรของพวกเราด้วยนะบุตรนายพรานเหล่านั้นจึงแก้ น, นาคขราตัวนั้นออกจากเครื่องพันธนาการ ซึ่งสอดเข้าทางจมูกร้อยไว้ไปในบ่วงร้อยไว้ในบ่วงหน้าคราตัวนั้นพ้นจากเครื่องผูกแล้วครู่หนึ่งจึงบ่ายหน้าสู่ที่ปราจีนหลีกไปครั้นบ่ายหน้าสู่ที่ปราจีนไปได้ครู่หนึ่งได้เหลียวกลับมามองดูอาตมาด้วยดวงตาทั้งสองที่นองไปด้วยน้ำตาในคราวนั้นอาตมาได้ประคองอัญชลีทั้งสิบนิ้วเดินตามไปข้างหลังกล่าวเตือนว่า ท่านจงรีบด่วนไปโดยเร็วเถิดขอศัตรูอย่าจับท่านได้อีกเลยเพราะการสมาคมกับพวกพรานอีกเป็นทุกข์ท่านจงไปยังสถานที่ที่พวกบุตรในพรานไม่เห็นเถิดนาคราชนั้นได้ไปสู่ห้วงน้ำใสสีเขียวครามโอภาสมีท่าอัน ง, งดงามน่ารื่นรมย์ใจปกคลุมไปด้วยหมู่ต้นว่าและต้นอโศกเป็นผู้ปลอดภัยเบิกบานใจได้เข้าไปสู่นาพิภพ มหาปพิธผู้จอมชนหน้าคราชนั้นครั้นก็ไปยังหน้าพิภ พ, พนั้นได้ไม่นานได้มาปรากฏแกอัตมาพร้อมด้วยบริวารเป็นทิพย์บำรงอัตมาเหมือนบุตรบำรุงบิดากล่าวถ้อยคาอันจับใจสบายหูว่าพญานาคสังขภ า, าละกล่าวว่าท่านอาราระท่านเป็นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นดังดวงใจเป็นผู้ให้ชีวิตเป็นสหาย ข้าพเจ้าจึงได้อิทธิฤทธิ์ของตนคืนมาขอเชิญท่านไปเยี่ยมที่อยู่ของข้าพเจ้าซึ่งมีอาหารเพียงพอมีข้าวและน้ำมากมายดุดขุนเขาจินเนรุพิภพของท้าววาสวะพญานาคสังขปาละกล่าวว่านาพิภพนั้นประกอบด้วยภูมิภาคภาคพื้นที่ไม่มีก้อนกรวดอ่อนนุ่มและงดงามมีหญ้าเตีย้ยเตีย้ยปราศจากฝุ่นละอองหน้าเลือมใส เป็นสถานที่ระ ง, งับความเศร้าโศกของผู้ที่เข้าไปมีสระโบขรนีที่ไม่อากูลสีเขียวครามเพราะแก้วไพยทูลมีสวนมะม่วงที่น่ารื่นรมยิ่งนักทั้งสี่ทิศติดผลอยู่เป็นนิดตลอดฤดูกาลมีทั้งผลสุกผลหามและผลอ่อนอารารดาบทกราบทูลว่าขอถวายพระพรนรเทพมหาปพิษณนะถ้ำกลางสวนมะม่วงทั้งสีทิศ มีนิเวศเลื่อมประพัสสอนสร้างด้วยทองคำบานประตูสำเร็จด้วยเงินรุ่งเรืองโอลานปานสายฟ้าในอากาศณ น, นิเวศนั้นมีเรือนยอดและห้องโอลานสร้างด้วยแก้วมั น, นีและทองคำวิจิตด้วยศิลปะอนเนกประการซึ่งเนรมิตไว้ดีแล้วติดต่อกันเต็มไปด้วยนางหน้ากัญญาทั้งหลายผู้ประดับตกแต่งร่างกายล้วนสวมใส่สายสร้อยทองคามหาประพิษ สังขาปารละนาคราชผู้มีผิวพรรณไม่สามนั้นรีบขึ้นสู่ประสาทซึ่งมีอนุภาพนับไม่ได้มีเสาพันต้นอันเป็นสถานที่อยู่ของพันยาผู้เป็นมเหสีของเขาและนารีนางหนึ่งไม่ต้องเตือนรีบนำอาสนะอันสำเร็จด้วยแก้วไพลทูลมีค่ามากงดงามประกอบด้วยแก้วมณีชั้นดีมีราคามาปูลาดลำดับนั้น นาคราชจูงมืออาตมาให้นั่งณอาสนะอันเป็นประธานโดยกล่าวว่านี้อาสนะท่านผู้เจริญโปรดนั่งณอาสนะนี้เถิดเพราะบรรดาท่านผู้เป็นที่เคารพทั้งหลายของข้าพเจ้าท่านผู้เจริญก็เป็นคนหนึ่งขอถวายพระพรพ ร, พระองค์ผู้จอมชนและนารีอีกนางหนึ่งรีบนําน้ําเข้ามาล้างเท้าอาตมาเหมือนพรนยาล้างเท้าภระดาสามีสุดที่รัก และนารีอื่นอีกนางหนึ่งรีบประคองถาทองคําน้อมนำพัตหารที่น่าพอใจมีแกงหลายชนิดมีกลับหลายอย่างเข้ามาภาระตตมหาประพิษพระองค์นารีเหล่านั้นรู้ใจพัสดาบําเรออาตมาผู้บริโภคเสร็จแล้วด้วยดนตรีทั้งหลายยิ่งไปกว่านั้นนาคราชเข้าไปหาอาตมาพร้อมด้วยกรารมาคุณอันเป็นทิพย์อันโอลานมิใช่น้อยกล่าวว่า ท่านอาลาระพัญญาของข้าพระเจ้าทั้งสามร้อยนางเหล่านี้ล้วนเอวบางร่างน้อยมีผิวพันดังกลีบทุมท่านอาลาระนางเหล่านี้พึงบำเรอกามแก่ท่านขอแท่นโปรดให้นางเหล่านั้นบำเรอท่านเถิดอาลาระดาโบสถ์กราบทูลต่อไปว่าอาตมาได้สวยกามรถอันเป็นทิพย์อยู่หนึ่งปีคราวนั้นจึงได้ถามยิ่งขึ้นไปว่า น่สมบัตินี้ท่านได้เพราะทำกรรมอะไรได้อย่างไรฉไหนท่านจึงได้ครอบครองวิมานอันประเสริฐท่านได้โดยไม่มีเหตุหรือเกิดเพราะใครน้อมมาเพื่อท่านท่านทำเองหรือเทวดาทั้งหลายให้เขาพระเจ้าถามเนื้อความนั้นกับท่านน า, านาคราชฉไหนท่านจึงได้ครอบครองวิมานอันประเสริฐพญานาคสังขปาละตอบว่า วิมานนี้ข้าพเจ้าได้มาโดยไม่มีเหตุหามิได้เกิดเพราะใครน้อมมาเพื่อข้าพเจ้าก็หาไม่ข้าพเจ้าทําเองก็หาไม่แม้เทวดาก็ไม่ได้มอบให้แต่ข้าพเจ้าได้เพราะบุญกรรมซึ่งมิใช่บาปของตนอาราธดาบตถามว่าวัดของท่านเป็นอย่างไรอันหนึ่งพรหมจรรย์ของท่านเป็นอย่างไรนี้เป็นผลแห่งวัดและพรหมจรรย์ที่ท่านประพฤติดีแล้วอย่างไรนาคราช ขอท่านโปรดบอกเนื้อความนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดว่าท่านได้วิมานนี้อย่างไรหนอพญานาคสังฆปาละตอบว่าข้าพเจ้านั้นได้เป็นพระราชาผู้เป็นใหญ่ขว่าชนชาวมคตมีนามว่าทุโยธนะมีอนุภาพมากได้เห็นชัดว่าชีวิตมีเพียงนิดหน่อยไม่เที่ยงมีความแปรโปรนไปเป็นธรรมดาข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใส ได้ให้ข้าวน้ำเป็นทานอย่างไพยบูนโดยเคารพพระราชวังของข้าพเจ้าในคราวนั้นเป็นดุดบ่อน้ำทั้งสมณะและพรามจึงอิ่มน้ำสำราญณนะที่พระราชวังนั้นข้าพเจ้าได้ให้พวงดอกไม้ของหอมเครื่องลูปไล้ประทีปยานพานะที่พักอาศัยผ้านุ่งผ้าห่มที่นอนข้าวและน้ำเป็นทานโดยเคารพนั่นเป็นพรตและนั่นเป็นพรมจันของข้าพเจ้า นี้เป็นวิบากแห่งกรรมนั้นที่ข้าพเจ้าประพฤติแล้วเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นนั่นแลข้าพเจ้าจึงได้วิมานนี้ซึ่งมีอาหารเพียงพอมีข้าวและน้ำมากมายและสมบูรณ์ด้วยการฟ้อนรำขับร้องแต่วิมานนี้ไม่จีรังยั่งยืนและไม่เที่ยงอลาระดาบทถามว่าบุตรในพรานทั้งหลายผู้มีอนุภาพน้อยไม่มีเดชย่อมเบียดเบียนท่านผู้มีอนุภาพมากมีเดชได้ เพราะเหตุไรท่านผู้มีเขี้ยวเป็นอาวุธเพราะอาศัยเหตุอะไรท่านจึงได้ตกอยู่ในเงื้อมมือของบุตรในพรานได้มหันตภัยตามมาถึงเรือนท่านหรือหนอหรือว่าพิษลั่นไปไม่ถึงรากเขี้ยวของท่านท่านผู้มีเขี้ยวเป็นอาวุธเพราะอาศัยเหตุอะไรแลหรือท่านจึงถึงความทุกข์ในสำนักของพวกบุตรในพรานพญานาคสังขปาละตอบว่า มหันตภัยตามมาถึงขา้าพเระาจก็หาไม่พิษของขา้าพเระาจวผู้บุตรในพรานเหล่านั้นก็ไม่อาจจะทำลายได้แต่ทาของสัตว์บุษทั้งหลายที่ท่านประกาศไว้ดีแล้วยากที่จะล่วงได้ดุดเขตแดนแห่งสมุทรท่านอาลาระวัน1ิสี่ค่ำสิบห้าค่เข้าพเระเจาจเข้าจำอุโบสถอยู่เป็นนิดคราวนั้นผู้บุตรในพรานสิบหคนถือเชือกและบ่วงอันมั่นคงมา พวกพรานช่วยกันเจาะจมูกแล้วร้อยเชือกแล้วช่วยกันหามนำข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าอดกลั้นความทุกข์เช่นนั้นไม่ได้ทำให้อุโบสถกาเริบอลาระดาบทถามว่าพวกบุตรในพรานได้เห็นท่านผู้สมบูรณ์ด้วยพลังและผิวพันธ์ที่หนทางที่เดินได้คนเดียวนาคราชก็ท่านเป็นผู้เจริญแล้วด้วยสิริและปัญญายังบำเพ็ญตบะอยู่เพื่อประโยชน์อะไร พญานาคสังขปาละตอบว่าท่านอาลาระข้าพระเจ้าบำเพ็ญตบะเพราะเหตุแห่งบุตรเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติหรือแม้เพราะเหตุแห่งอายุก็หาไม่แต่เพราะข้าพเจ้าปรารถนากำเนิดแห่งมนุษย์เพราะเหตุนั้นจึงบากบันบ่นบำเพ็ญตบะอาลาระดาบทถามว่าท่านมีในตาแดงมีรัศมีรุ่งเรืองประดับตกแต่งร่างกายตัดผมและโกนหนวดเรียบร้อย รูปลายผิวพันธุ์ด้วยดีด้วยจันแดงส่องสว่างไปทั่วทิศดุจราชาแห่งคนทันท่านเป็นผู้บรรลุเทวริษแล้วมีอนุภาพมากพรั่งพร้อมด้วยกามาคุณทุกอย่างนากราชข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่านว่ามนุษยโลกประเสริฐกว่านาภิพพนี้เพราะเหตุไรพญานาคสังขปาละตอบว่าท่านอาลาระนอกจากมนุษยโลกแล้ว ความบริสุทธิ์หรือความสำรวมไม่มีก็ข้าพเจ้าได้กําเนิดมนุษย์แล้วจากธรําที่สุดแห่งชาติและมรณะอารารดาบทกล่าวว่าเป็นเวลาหนึ่งปีเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในสำนักของท่านได้รับการบํารุงด้วยข้าวและน้ําท่านนาคินผู้ประเสรศิฐข้าพเจ้าจากมนุษย์โลกมานานจะขอลาท่านไปพญานาคสังขปาลถามว่าบุตรภัญญาและชนที่ข้าพเจ้าชุบเลี้ยง ซึ่งข้าพเจ้าพร่ำสอนเป็นนิดว่าพึงบำรุงท่านไม่มีใครสักคนสาบแช่งท่านแลหรือท่านอาลาระก็การได้พบเห็นท่านนับว่าเป็นที่พอใจของข้าพเจ้าอาลาระดาบทตอบว่าบุตรสุดที่รักพึงได้รับการปฏิบัติอยู่ในเรือนมารดาบิดาแม้โดยประการใดท่านก็ปฏิบัติข้าพเจ้าในที่นี้แลประเสริฐกว่าแม้โดยประการนั้น พระจิตของท่านเลื่อมใสในข้าพเจ้าหน้าคาราชพญานาคสังขปาละกล่าวว่าแก้วมณีสีแดงซึ่งนำทรัพย์มาให้ได้ของข้าพเจ้ามีอยู่ท่านจงถือเอาแก้วมณีอันโอลานไปยังที่อยู่ของตนครั้นได้ทรัพย์แล้วจงเก็บแก้วมณีไว้อลาระดาบทกล่าวสองคาถาว่าขอถวายพระพรมหาปพิธกามทั้งหลายแม้เป็นของมนุษย์ อาตมาก็ได้เห็นแล้วเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะเห็นโทษในการมาคุณทั้งหลายอาตมาจึงบวช ด, ด้วยศรัทธาทั้งคนหนุ่มทั้งคนแก่ย่อมมีกายแตกทำลายไปเหมือนผลไม้หล่นจากต้นมหาประพิษอาตมาเห็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิดแม้นี้ว่าความเป็นสมณะนั่นแลประเสริฐจึงได้บวชพระราชาตรัสว่า ชนเหล่าใดมีปัญญาเป็นผ้หูสูดคิดเหตุการณ์ได้เป็นอันมากชนเหล่านั้นควรครบโดยแท้พระคุณเจ้าอาลาระโยมได้ฟังเรื่องของนาคราชและของพระคุณเจ้าแล้วจักทำบุญให้มากอาลาระดาบสกล่าวว่าชนเหล่าใดมีปัญญาเป็นผ้หูสูดคิดเหตุการณ์ได้เป็นอันมากชนเหล่านั้นควรครบโดยแท้ขอเดชะพระราชา พระองค์ทรงสดับเรื่องนาคราชและของอาตมาแล้วขอจงทรงบำเพ็ญบุญให้มากเถิดสังขปาละชาดกที่สจบ 5. จูละสุตโส ม, มชาดกว่าด้วยเหตุที่พระเจ้าจูละสุตโสมออกผนวดพระโพธิสัตว์สุตโสมตรัสว่าเราขอประกาศให้ชาวนิคมมิตรอมาตและข้าราชบริพารได้ทราบ บัดนี้ผมที่ศีรษะของเราหงอกแล้วเราจึงพอใจการบรรญชาอำมาตย์ผู้องอาจกล้ากล้าคนหนึ่งกราบทูลว่าทําไมหนอพระองค์จึงรับสั่งความไม่เจริญแก่ข้าพระพุทธเจ้าขอเดชะพระองค์ผู้สมุติเทพพระองค์ทรงปราบพระแสงสอนที่อกของข้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระชายาถึงเจ็ร้อยนางพระชายาเหล่านั้นของพระองค์จักเป็นอย่างไรหนอ พระโพธิสัตว์จุลสุตโสมตรัสว่านางทั้งหลายเหล่านั้นจะปรากฏตามกรรมของตนเองพวกนางยังสาวจากไปที่พึ่งพาพระราชาแม่พระองค์อื่นได้ส่วนเราปราถนาสวรรค์เพราะเหตุนั้นจึงจักบรรพชาพระราชชน น, นีรีบเสด็จมาโดยด่วนตรัสถามว่าพ่อสุตโสมการที่แม่เป็นแม่ของเจ้านับว่าแม่ได้เจ้ามาด้วยความลำบาก เมื่อแม่พร่ำเพอรำพันอยู่เพราะเหตุไรเจ้าจึงไม่อาลัยจะบวชเสียเล่าพ่อสุตโสมการที่แม่คลอดเจ้ามานับว่าแม่ได้เจ้ามาด้วยความลำบากเมื่อแม่พร่ำเพอรำพันอยู่เพราะเหตุไรเจ้าจึงไม่อาลัยจะบวชเสียเล่าพระชนกทรงทราบข่าวแล้วเสด็จมาตรัามว่าพ่อสุตโสมทำนั่นชื่ออะไร และอะไรชื่อว่าการบรรปชาเพราะเหตุไรเจ้าเป็นบุตรของเราทั้งสองจึงไม่มีความอาลัยจะละทิ้งเราทั้งสองผู้แก่เท่าไปบวชเสเล่าแม่ลูกชายลูกสาวของพ่อก็มีอยู่มากยังเล็กอยู่ยังไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวแม่เด็กเหล่านั้นกำลังชอเลออ่อนหวานเมื่อไม่เห็นพ่อเห็นจะเป็นทุกข์ไปตามตามกัน พระโพธิสัตว์จูละสุตโสมสดับพระดำรัสแล้วกราบทูลว่าการอยู่ร่วมกันแม้นานแล้วพระพรากจากกันของหม่อมฉันกับลูกทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งยังเด็กอยู่ยังไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวกําลังชอละอ่อนหวานแม้ทั้งหมดและจากทูลกระหม่อมทั้งสองพระองค์เป็นของแน่นอนพระชายาทั้งหลายทราบข่าวแล้วคร่ำครวญอยู่กราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้สมุติเทพ ทูกลกระหม่อมทรงตัดพระทัยแล้วหรือทรงหมดความกรุณาในพวกหม่อมฉันหรือเพราะเหตุไรทูกลกระหม่อมจึงไม่อาลัยพวกหม่อมฉันผู้คร่ำครวญอยู่จะเสด็จออกพนวดเซล่าพระโพธิสัตว์จูละสุตโสมสดับเสียงคร่ำครวญของพระชายาเหล่านั้นแล้วตรัสว่าเราตัดใจได้แล้วก็หามิได้และเราก็ยังมีความกรุณาในพวกเธออยู่แต่ว่าเราปรารถนาสวรรค์ เพราะเหตุนั้นจึงจากโบสถพระมเหสีทรงพระคันแก่ได้กราบทูลว่าเจ้าพี่สุตโสมการที่ม่อมฉันเป็นมเหสีของเจ้าพี่นับว่ามอมฉันได้เจ้าพี่มาด้วยความยากลําบากขอเดชะพระองค์ผู้สมุติเทพเมือม่อมอมฉันพร่ำเพรอรำพันอยู่เพราะเหตุไรเจ้าพี่จึงไม่ทรงอาลัยจะทรงพนวดเสียเล่าเจ้าพี่สุตโสม การที่หม่อมฉันเป็นมเหสีของเจ้าพี่นับว่าหม่อมฉันได้เจ้าพี่มาด้วยความยากลําบากขอเดชะพระองค์ผู้สมุติเทพเพราะเหตุใรเจ้าพี่จึงไม่ทรงอาลัยพระโอรสที่ปฏิสนธิในครันของหม่อมฉันจะทรงผนวชเสื่อเล่าคันของหม่อมฉันแก่แล้วขอพระองค์รออยู่จนกว่าหม่อมฉันจะครอบพระโอรสขอหม่อมฉันอย่าได้เป็นม่ายอยู่แต่ผู้เดียว ได้ประสบทุกข์ยากในภายหลังพระโพธิสัตว์จูลสุตโสมตรัสว่าคันของน้องนางแก่แล้วเอาเถิดขอให้น้องนางจงคลอดบุตรซึ่งมีผิวพรรณไม่ซามเถิดส่วนพี่จกละบุตรและน้องนางไปบุพระโพธิสัตว์ตรัสปลอบโยนพระนางว่าอย่าร้องไห้เศร้าโศกไปเลยเจ้าจันทาเจ้าผู้มีดวงเนตรงามดุจ ด, ดอกกัิกาเขา จงขึ้นไปยังประสาทอันประเสริฐเสียเถิดพี่จกไปยังคนหมดความอาลัยพระโอรสองค์ใหญ่ทูลถามว่าสเสด็จแม่ใครทําให้สเสด็จแม่ทรงพิโรธทําไมเสด็จแม่จึงทรงกันแสงและทรงจ้องมองดูหมอมฉันนักบรรดาพระญาติที่เห็นเห็นกันอยู่ใครที่หมอมแม่ฆ่าไม่ได้หมอมฉันจะฆ่าเองพระเทวีตรัสว่าลูกรักท่านผู้ใดทําให้แม่โกรธ ท่านผู้นั้นเป็นผู้ชนะในแผ่นดินเจ้าไม่อาจจะฆ่าเขาได้เลยลูกรักพระปิดาของเจ้าได้พูดกับแม่ว่าเราจากไปอย่างคนหมดความอาลัยพระโอรสองค์ใหญ่คร่ำครวญอยู่ตรัสว่าเมื่อก่อนหม่อมฉันนำช้างตกมันไปพระอุทยานและเล่นรบกันบัดนี้เมื่อเสด็จพ่อสุตโสมทรงผนวตแล้วหม่อมฉันจะทำอย่างไรหนอ น้องชายองค์เล็กของพระโอรสองค์ใหญ่ตรัสว่าเมื่อพระมารดาของหม่อมฉันทรงกันแสงอยู่และเมื่อเจ้าพี่ไม่ทรงยินยอมหม่อมฉันก็จะยึดแม้พระหัสทั้งสองของเสด็จพ่อไว้เมื่อพวกหม่อมฉันไม่ยินยอมเสด็จพ่อจะเสด็จไปไม่ได้พระโพธิสัตว์จูลสุตโสมตรัสว่าลุกขึ้นเถิดเจ้าแม่นมเจ้าจงชวนขุมานนี้ให้ไปรื่นรมที่อื่นเถิด ภุมานี้ย่าได้ทำอันตรายแก่เราเลยเมื่อเรากำลังปราถนาสวรรค์พระพี่เลี้ยงกราบทูลว่าถ้ากระไรเราพึงให้แก้วมณีอันมีแสงสว่างนี้ประโยชน์อะไรของเรากับแก้วมณีนี้หนอเมื่อพระจอมนรชนสุตโสมทรงผนวชแล้วเราจะทำอย่างไรกับแก้วมณีนั้นหนอมหาเสนคุตตะอมาตย์กราบทูลว่าพระคลังน้อยของพระองค์ก็ไพบูน เรือนคลังหลวงของพระองค์ก็บริบูรณ์และปัตภีพระองค์ก็ทรงชนะแล้วขอพระองค์ทรงพอพระไทยอย่าทรงผนโดเลยพระพุทธเจ้าข่าพระโพธิสัตว์จุลสุตโสมตรัสว่าพระคลังน้อยของเราจะไพบุญก็ตามเรือนคลังหลวงของเราจะบริบูรณ์ก็ตามปัตภีถึงเราชนะแล้วก็ตามแต่เราจะละสิ่งนั้นๆไปบวช กุลวัฒนเศรษฐีกราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้สมติเทพแม้ทรัพย์ของข้าพระพุทธเจ้าก็มีอยู่มากมายข้าพระพุทธเจ้าไม่อาจจะนับได้ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายทรัพย์นั้นแม้ทั้งหมดแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงพอพระทัยอย่าทรงผนวดเลยพระพุทธเจ้าค่าพระโพธิสัตว์จูลสุตโสมตรัสว่าเรารู้ว่าทรัพย์ของท่านมีอยู่มากกุลวัฒนะ และเราท่านก็บูชาแต่เราปรารถนาสวรรค์เพราะเหตุนั้นจึงจกักบโพธิที่สัจจูละสุตโสมตรัสต่อไปว่าพี่เบื่อนายหนักความไม่ยินดีกําลังครอบงมพี่พ่อสมมทัตเพราะอันตรายของพี่มีมากพี่จึงจักบทวันนี้แหละสมมทัตอนุชาตรัสว่าก็บรรพชากิตนี้เจ้าพี่ทรงพอพระทยเจ้าพี่สุตโสม เจ้าพี่ทรงผนวดเถิดในวันนี้เดี๋ยวนี้แหละแมหม่อมฉันก็จกบวชเว้นเจ้าพี่เสียแล้วมอมฉันไม่อาจจะอยู่ได้พระโพธิสัตว์จูรสุตสมตรัสว่าเจ้ายังบวชไม่ได้เพราะใครๆในเมืองและในชนบทจะไม่หุงต้มกินเมื่อมหาราชรองให้คร่ำครวญว่าพระจอมนราชนสุตสมทรงผนวดแล้วบัดนี้พวกข้าพระพุทธเจ้าจะทำอย่างไรหนอ ต่อแต่นั้นพระโพธิสัตว์จุลสุตโสมตรัสว่าเราเข้าใจว่าชีวิตนี้ถูกชะานาเข้าไปเหมือนกับน้ำนิดหน่อยในหม้อกรองน้ำด่างเมื่อชีวิตเป็นของน้อยนักอย่างนี้จึงไม่ใช่เวลาที่จะประมาทเลยเราเข้าใจว่าชีวิตนี้ถูกชะานาเข้าไปเหมือนกับน้ำนิดหน่อยในหม้อกรองน้าด่างเมื่อชีวิตเป็นของน้อยนักอย่างนี้ ถึงอย่างนั้นพวกคนพานก็ยังพากันประมาทอยู่พวกคนพานเหล่านั้นถูกเครื่องผูกคือตันหาผูกมัดไว้แล้วย่อมทานรกกรำเนิดสัตว์ิรชานเปรตวิสัยและอสุรกายให้เจริญมหาชนคร่งครวนกล่าวว่าก็กลุ่มละอองทุลีฟุ้งลอยขึ้นในที่ไม่ห่างไกลาจากปุพกกะปราศาส์ชรอยพระเกลาของพระธรรมราชาผู้เรืองยศของพวกเรา จากถูกตัดแล้วมหาชนไม่เห็นพระราชาจึงเที่ยวคร่ำครวญว่าพระราชาทรงมีพระสนมกำนันในห้อมล้อมเสด็จไปณประสาทใดหนอนี้คือประสาทของพระองค์เกลื่อนกลนไปด้วยสุวรรณบุพามาลัยพระราชาทรงมีหมู่พระญาติห้อมล้อมเสด็จไปณปราสาทใดหนอนี้คือประสาทของพระองค์เกลื่อนกล่นไปด้วยสุวรรณบุพามาลัย พระราชาทรงมีพระสนมกำนันในห้อมล้อมเสด็จไปณประสาทใดหนอนี้ค <Alice put> ือประสาทของพระองค์เกลื <sh> ่อนกลนไปด้วยสุวรรณบุพามาลัยพระราชาทรงมีหมู่พระญาติห้อมล้อมเสด็จไปณประสาทใดหนอนี้คือประสาทของพระองค์เกลื่อนกลนไปด้วยสุวรรณบุพามาลัยพระราชาทรงมีพระสนมกำนันในห้อมล้อมเสด็จไปณพระอุทยานใดหนอ นี้คือพระราชอุทยานของพระองค์มีดอกไม้บานสะพรั่งงดงามตลอดการทั้งปวงน่ารื่นรมพระราชาทรงมีหมู่พระญาติห้อมล้อมเสด็จไปณพระอุทยานใดนอนี้คือพระราชอุทยานของพระองค์มีดอกไม้บานสะพรั่งงดงามน่ารื่นรมตลอดการทั้งปวงพระราชาทรงมีพระสนมกำนันในห้อมล้อมเสด็จไปณสวนกัิกาใดนอ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 นี้คือสับรคารณีของพระองค์ดารดาษไปด้วยดอกไม้นานาชนิดคับข้างไปด้วยฝูงนกพระราชาทรงมีหมู่พระญาติห้อมล้อมเสด็จไปณนะสับรครณีใดหนอนี้คือสับรคารณีของพระองค์ดารดาษไปด้วยดอกไม้นานาชนิดคับข้างไปด้วยฝูงนกพระเจ้าสุตโสมบรมราชาทรงสละราชสมบัตินี้ผนวดเสียแล้วพระองค์ทรงผ้ากาสาวพัฒ เสด็จเที่ยวไปพระองค์เดียวดุจพญาช้างตัวประเสริฐพระโพธิสัตว์จุลสุตสมตรัสว่าท่านทั้งหลายอย่าหหนระลึกถึงความยินดีการเล่นและความรื่นเริงทั้งหลายในการก่อนเลยการทั้งหลายอย่าฆ่าท่านทั้งหลายได้เลยจริงอยู่สุทัศนะนครน่ารื่นรมยิ่งนักอันหนึ่งท่านทั้งหลายจงเจริญเมตตาจิตที่มีอารมณ์ไม่มีประมาณทั้งกลางวันและกลางคืนเถิด เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านทั้งหลายจะได้ไปสู่เทพบุรีอันเป็นสถานที่อยู่ของท่านผู้บำเพ็ญบุญดังนี้แลจูลสุตโสมชาดกที่หจบรวมชาดกที่มีในนิบาตนี้คือ 1. เตสกุณชาดก 2. สารพังคชาดก 3. อลัมพุษาชาดก 4. สังขาปาละชาดก 5. จูรสุตโส ม, มาชาดกจัตตารีสนนิบาตจบชาดกภาคหนึ่งจบ